ทันทีเริ่มฝึกหัดภาวนาออกกรุณาปฏิบัติทีื่อดำเนินตามที่ท่านแนะนำในหนังสื อ, อ เ, เรื่องภาวนาเปคือสาระสํสำคัญของศาสนาแท้คือภาวนาเป็นสำคัญมาก ในหลักศาสนธรรมที่ประกาศสอนไว้อันนี้เป็นแก่หรือเป็นรากแก้วของจัตสนาก่อนอื่นให้ใจได้รับการอบรมถึงเรื่องศีลคำคุณงามความดีต่างๆหลังจาก น, นั้นกอฝึกหัดทางด้านจิตใจทดสอบอารมณ์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 ผลของงานก็ค่อยปรากฏขึ้นแล้วก็รู้ทิศทางที่จะดำเนินงานหนักเบามากน้อยโดยลำดับความหนักใจก็ค่อยเบาลงไปเพราะรู้วิธีที่จะทำงานนั้นๆตลอดถึงผลก็ได้รับโดยอำดับทังด้านแต่พ่ออย่างยิ่งด้านภาวนา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 หาความสัตย์ความจริงต่อกันไม่รู้สึกว่าหาได้ยากไม่เหมือนกันก่อนเพราะเหตุไรเพราะจิตใจของมนุษย์มันปลอมไปเลยกลายเป็นมาเรื่องเรื่องมนุษย์ปลอมไปอีกด้วยมีศักท์เทวร่างมนุษย์จิตใจปลอมเพราะฉะนั้นคำของจริงหรือคำสัจคำจริงจริงไม่สามารถที่จะสถิตอยู่ในจิต ใ, ใจที่ปลอมๆนั้นได้ถึงของปลอมอยู่ด้วยกันมันถึงอยู่กันได้ด้วยความสนิท เวาลาระบายออกมาก็ออกมาจากความจำาปรองของใจผู้ฟังก็พร้อมด้วยการต่างอันต่างพร้อมฟังกันก็เชื่อและต้มถุนกันไปได้อย่างสะดวกสบายไม่เร็บไม่หลับในโลกมักจะชอบอย่างนั้นแต่ศาสนาธรรมซึ่งเป็นความจริงไม่มีการหลอกลวงต้มถุนกลับทาให้จิตใจห่างเหินหรือไม่อยากจะสนใจประคฤตปฏิบัติ เมื่อห่างเหินความจริงแล้วมันก็มีแต่ความจอปลอมเข้าแสสรทรกซึมลึกกุ้มลุ่มปิตใจและความลําบากําคาญอยู่เสมอเราทั้งหลายเป็นผู้มุ่งมาเพื่ออาจเพื่อทำซึ่งเป็นความจริงจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสสอนไว้แล้วควรพิสูจน์ความจำปลอมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนว่ามีมานานเท่าไหร่และจะควรปฏิบัติแก้ไขอย่างไรบ้างความจำปลอมซึ่งเป็นสาเหตุก่อทุกข์ให้ เกิดขึ้นแต่เราอยู่ไม่แล้วไม่เรานี้จะได้ค่อยหมดไปโดยลำดับจะได้มีความผาสุกเนใจบ้างจากการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมนั้นเป็นเครื่องที่จะเชื่อชูหรือปลดเครื่องสิ่งที่เป็นภัยให้รับความสุขความสบายขึ้ น, นทางหน้าจิตใจโดยลาดับธรรมจริงไม่เป็นภัยแก่ผู้ใดทั้งนั้นไม่ว่าสมัยใดธรรมเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่เป็นคู่ควรแ จ, จ่ใจ และมีใจเท่านั้นเป็นผู้เป็นคู่ควรแก่ธรรคือสามารถที่จะรับธรรมไว้ได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมที่สุดไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าใจถือใจมันปลอมก็เพราะว่าสิ่งจอมกลอมมันแทรกซึมอยู่ภายใน จ, ใจิตใจจนกลายเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาครอบนมจิตทั้งหมดหมดทั้งดวงนั้นกายเป็นของปลอมประตามกาันไปหมดมันทำให้มนุษย์เราเดือดร้อนวุ่นวาย อยู่ที่ไหนก็ ม, มีความพาสุกเย็นใจเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ทำความพาสุกเย็นใจให้เกิดจากใครทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าของตรอมเป็นช่นนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรการปฏิบัติธรรมะเขาเพื่อจะกาจัดสิ่งที่ปรองแปลงทั้งหลายนั้นออกให้เหลือแต่แก่นให้เหลือแต่ของตีอยู่ภายใน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 เรายังอุตสาห์ทนกับงานอนั้นมาได้แต่เราจะทจํากิจกราภาวนาคืองานประเภทคุณสมบัติภายในจิตโดยเฉพาะซึ่งเป็นความจําเป็นเป็นงานจําเป็นเช่นเดียวกับงานอื่นๆสําหรับใจของเราทําไมเราจะทําไม่ได้นี่เป็นปัญหาที่เราจะแก้กับเรื่องของเจเคติซึ่งเป็นตัวหลอกลวงไม่อยากให้เราทําเบื้องต้น จิตจะล้มลกคุ่ครานท่อไม่เคยถูกบังคับด้วยอาตุยธรรมถูกบังคับจากที่เหลียดโดยถ่ายเดียวเรื่องของจิตเหียดต้องบังคับกิตเสมอบังคับให้ลงทางต่ําเมื่อจิตเราเคยถูกบังคับทั้งทางฝ่ายต่ําแล้วจะถุดลากขึ้นมาทั้งฝ่ายสูงคืออัดทำจึงเป็นการยากอยู่เป็นธรรมดายากก็าตามเรา ฟื้นเพื่อที่จะชุดลากจิตใจที่กำลังถูกรุ่มรุมอยู่ด้วยพิษภัยทั้งหลายนั้นให้พ้นภัยขึ้นมาเดิมำดับเป็นจิตที่ควรทำอย่างยิ่งสำหรับเราผู้หวังความสุขความเจริญท่านผู้ใดมีความสนใจหรือมีเจตหนิสัยชอบในธรรมทบทใดกรุณานำธรรมบทนั้นไปบริกรรมคำว่า ถูกกับสดีดนิสัยนั้นได้แต่เวลาเรากำหนดนำบททาบทนั้นมาบริกรรมทดสอบดูจะมีความรู้สึกเบาในภายในจิตใจือข่องแค่ภายจใจิตไม่หนักหน่วงนี่ชื่อว่าถูกกับสจดีของเราเช่นพุทโธเป็นต้นถูกแล้วก็พึงนำทาบทนั้นมากากับกับใจทำไมจึงต้องนาคาบริกรรมมากำกับใจ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 เ, เหยื่อล่อเพื่อให้ตามันกินเบ็ดเราต้องการปลาเราไม่เราไม่ได้มุ่งหวังจะเอาเหยื่อเรามุ่งหวังจะเอาปลาต่างหาจึงต้องหาเหยื่อมาล่อให้ติดกับปลาเบ็ดแล้วให้ปาเห็นเขาก็กินเ mm. พราะเข้าใจว่าเป็นอาหารนี่เป็นข้อเทียงเคียงแล้วคําว่าพุโทโธก็ดีธรรมโอ้ก็ดีสังโฆก็ดีหรือคําบริกรรมบทใดก็ตามนีม่เป็นเหมือนกับเหยื่ออันนึง่งสำหรับ ลอดจิตหรือเหมือนกับเชื่อมา่งจิตให้จิตอาศัยอยู่กับคําบริกรรมนั้นๆด้วยความมีสติตจะจออยู่เสมอไม่ให้พลากจากกันแต่กนหนดพุดโทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุโทโธสืบเนื่องกันไ ป, ไปเป็ น, นลําดับลําับเมื่อจิตใจได้ทํางานในหน้าที่อันเดียวไม่มีถึงมาเกี่ยวข้องหรือจิตไม่ได้เลี่ยอดออกไปคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องควรจิตใจให้เกิดความช่องสร้างวุน่นวายจิตก็จะสงบตัวลงไป เพราะอาศัยคำโรยกรรมเป็นเครื่องมุกปูมัดไว้โดยสม่ำเสมอกระแสของจิตที่สายไปสถานที่หรืออาการต่างๆหรือว่าอารมณ์ต่างๆก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดแห่งพุทโธแห่งเดียวในกลายเป็นจุดผู้รู้ที่เด่นชัดขึ้นมาภาในใจเมื่อใจมีความสงบด้วยอุบายอย่างนี้จนปรากฏผลขึ้นมาคือความสุขถึงเกิดขึ้นจากความสงบ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 ใจเมื่อได้รับผลปรากฏเป็นที่ถึงพอใจเช่นนี้จะมีความภาคเพียรจะมีความเชื่อมั่นผลจะเป็นรายละเอียดยิ่งกว่านี้ก็ตามต้องมีอย่างแน่นอนไม่สงสัยเพราะเท่าที่ปรากฏนี้ก็เป็นที่พึงใจอยู่แล้วยิ่งได้ทำภาวนาให้มีความละเอียดเข้ามากเข้าเพียงไรผลที่เป็นความละเอียดสุก ข, ขุมก็ยิ่งจะปรากฏขึ้นเดิมดับนี่ลเป็นเชื่อแห่งความเชื่อความเรื่มใส ในพระศาสนาหรือความเชื่อต่องานของตนที่จะพึงบึกบึนหรือพยายามไปโดยลําดับเมื่อจิตได้รับความสงบเป็นครั้งหนึ่งแล้วเห็นกระจัด ต, ต่อไปความขยันมันเพี้ยนความสนใจต่องานของเราที่เคยทำนี้จะค่อยเด่งขึ้นโดยลําดับไม่คว่าจะถูกบังคับบัญชาอะไรมากนะแต่ประการสําคัญขณะที่ปรากฏขึ้นแล้ว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 ว่าจะเป็นอย่างไรเลยเมื่อสติความรับรู้สืบต่ออยู่กับคําบริกรรมความรู้สึกของเราก็สืบต่ออยู่กับคําบริกรรมเป็นลําดับนั่นแลคืองานที่เราทําโดยถูกต้องแล้วแลผลจะปรากฏขึ้นมากับงานนั้นเช่นเดียวกับที่เคยปรากฏมาแล้วและยิ่งกว่านั้นไปโดยลําดับนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนานะเป็นอย่างนี้ ความสุขใดก็าตามไม่เหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบทางใจท่านกล่าวไว้ในธรรมว่านัตทีสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนี้ไม่มีคำว่าอย่างนี้เริ่มไปตั้งแต่ความสงบในเบื้องตน้นจนกระท่งถึงสันติคือความสงบในวาระสุดท้ายได้แต่ความสงบราบภาพแห่งจิตที่ไม่มีกิเลส แม้น้อยหนึ่งเข้าไปเจือปนภายจิตใจหรือไปแทกถึงภายในจิตใจเลยได้จตจิตุองปราชญ์ก็เรียกว่านักิสันติปรังสุขของเช่นเดียวกันเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของจิตหรือเป็นสัญญะสัญชาติปัญญาอันหนึ่งก็ได้มุ่งหาความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าญิงว่าชายไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใด มีความรู้สึกอยู่เช่นนี้มีความหวังอยู่เช่นนี้หวังต้องจะได้ความสุขความเกเจเลยแต่แล้วทําไมโลกนี้จึงเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนวุ่นวายมีแต่ความทุกข์เต็มจิตใจและร่างกายของสัตว์โลกแล้วทําไมจึงไม่เจอความสุขดังขึ้มุ่งหมายบ้างไม่มากก็น้อยเพราะเ ห, หตุใดก็เพราะว่าแสวงหาความสุขไม่ไม่ถูกจุดอันเป็นที่พึงพอใจ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 การแสวงหาความสุขทางใจแสวงหาอย่างนี้ส่วนท่านนอกเราก็พอทราบกันเพราะเราเคย ส, อส่องแสวงเคยได้อาศัยสิ่งเา น, นั้นมาแล้วอันนี้ท่างใครก็เข้าใจไม่จําเป็นต้องแนะนำต่างสอนกันที่สําคัญก็คือการสาะแสวงหาความสุขทางหน้าจิตใจอันเป็นหลักสําคัญในร่างกายและจิตจิตใจเราเราควรจะ ส, อส่อแสวงหาวิธีใดถึงจะเจอความสุขจิตใจที่เจอความสุขย่อมไม่ปัดแปลง ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหืมมีความสงบตัวอยู่เป็นปกติจะอยู่ในอียาบทใดก็ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสวยงามด้วยความสงบไม่ยิ่งเต้นเพ่นกระโดดผีพานจิตใจเพราะไม่มีอะไรกวนใจเนื่องจากความสงบเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้รับความสุขความทุ่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในตัวเองนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเราควรจะสะแสวงหา ให้เห็นให้เจอความทุกข์บ้างไม่มากก็น้อยทางทางด้านจิตใจยากก็ทนบ้างท่องานไม่ว่างานไหนต้องฝืนความยุ่งยากต้องฝืนความลาบากต้องฝืนทุกข์บ้างเป็นธรรมดาเมื่อพอฝืนได้นอกจากบรสพูพิสัยฝืนไม่ได้ก็จําเป็นด้วยกันไม่ว่างานนอกงานไหนงานนอกได้แก่การงานต่างๆงานในได้แก่งานกิจตะภาวนาต้องมีความทุกข์บ้างเป็นธรรมดาด้วยกันพระพุทธเจ้า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 เคยคิดน้นตุงนี้บางคัาไว้มัง่งการที่เราปล่อยตามจิตคิดไปในแง่ต่างๆตามอารมณ์ของใจนั้นเกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากจะเขี่ยวกว่านเอาความทุกข์ความร้อนอารมณ์ต่างๆเข้ามาเผารม จ, จิตใจจนให้เกิดความเดือดร้อนวาอยู่ไม่ขาดว่ากาตตอนทานั้นก็ไม่เห็นผลดีอันใดที่เกิดขึ้นจากการตรอ่อใจไปตามลําพังของมันการฝืนจิตการทรมานจิตไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆที่เป็น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 เราไม่ต้องพันอะไรเลยจะเอาความสูมงสมรักเลยก็รู้สึกมันจะเกินเกินครูไปเพียงควรดํานเนินตามน้องลอยของครูว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนาฉานี้ท่านดำเนินยังไงก็ควรดำเนินอย่างนั้นหนักบ้างเบาบ้างทุกยากลาบากบ้างก็ทนเอาถ้าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูทุกโดยกันนั่นแหละให้อยู่ที่ไหนก็โทุกแต่การบําเพ็ญตามหลัก ทรรคือเหตุผลนวนๆนั้นเป็นทางที่จะให้แค่้วคลาดปลอดภัยไปโดยลำดับซึ่งเป็นจิตที่เราควรสนใจการท่องเที่ยวในวัฏจักรสงสารด้วยความร่มความจมความทุกข์ความทรมานนั้นเราต้องการกันมากหรือผลที่เกิดขึ้นทช่นนั้นเพราะการต่อยตัวผลเกิดขึ้นเช่นนั้นเพราะความอ่อนแอเพราะความไม่สนใจในในหลักเกณฑ์ที่จะทําให้เกิดความสุขขึ้นมาจึงมีแต่ความทุกข์เผาลนอยู่ทุกชาติทุกภพ ตั้งกับตั้งการนับไม่ส่วนเป็นสิ่งที่สารโลกลายไหนๆก็ตามไม่ต้องการทักันทั้งนั้นแต่ทำไมเราจะเป็นผู้ไปเจอโอสินเหล่านั้นเพราะความไม่เอาไหนของใจสมควรนะเหือนี่ปัญหาตั้งถามตัวเองเป็นอุบายของปัญญาที่จะประปาบตรามพิเดษที่มันหลอกเราทุกข์เราก็ต้องทนแต่ทุกข์ในทางที่ดีทนบ้าง กิจนี้ถูกกิเลกครอบงำมานานอะไรๆก็เป็นไปตามกิเลสทั้งหมดทำแทรกเขาไม่ได้เลยแล้วเวลานี้กำลังพยายามจะเอาทำแทรกผทานๆกิจใจเพื่อชุดล่ากิจใจที่กำลังมีคุณค่าอยู่แต่เพราะสิ่งที่มีคุณค่าครอบงำเสี่ยกิจจึงหาคุณค่ามาได้นั้นถอยออกมาเพื่อให้มีคุณค่าด้วยธรรมเราฝุกจิตเพื่อมีคุณค่า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 ได้ในขณะนี้ยิ่งควรตื่นตัวตายแล้วถึงตื่นตัวมันตื่นไม่ได้จึงเรียกว่าคนตายตายแล้วไปหาทำบุญนําทานที่ไหนทําไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนานไม่ได้นอกจากจะเสวยผลที่เราทําแล้วตั้งแต่ความเป็นมนุษย์อย่นี้เท่านั้นเราต้องคาดปัญญาของเราว่าให้ไกลกว่าพิเรพพิเลรพลไม่คาดอะไรละจะให้ได้อย่างใจอย่างใจอย่างใจเป็นที่พอ ให้อยูด่ด้วยความสนุกสนานดื่นเลงอยู่ตามใจก็พอแล้วมันสนุกสนานที่ไหนมันดื่นเริงที่ไหนพลิกของกิเลสมันทําคนให้ดื่นเริงให้มีความสะดวกสบายที่ไหนมันจะบีบคั้นอิตใจให้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดมาเท่านั้นถ้าไม่เห็นโทษของมันก็จะต้องถูกมันกดขี่บังคับอยู่ตลอดไปถ้าเห็นโทษของมันทําจะแทรกเข้าทายในจิตใจได้เราก็จะกลายเป็นผู้มีสาระขึ้นมา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 ธรรมที่ชั่วก็คือที่ไม่พึงปราถนานั่นเองความทุกข์ความร้อนความลําบากลำบนอะไรสิ่งที่ไม่พึงปราถนาอยู่ในที่นั่นหมดอที่ชั่วนั้นหมดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่ได้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นสถานที่ทําจะรักษาเราไม่ตกไปในที่ชั่วเราต้องเป็นผู้รักษาธรรมรักษาตัวของเราด้วยความการบําเพ็ญความดีทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายได้บําเพ็ญอยู่เวลานี้นี่คือว่าเรารักษาธรรม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 ไปเกิดในภพปลายทาติปลายประกามผู้ขึ้นชื่อว่าผู้มีธรรมพานใจและบำเพ็ญกุณงาความดีไว้ในใจแล้วก็เท่ากับไปเสวยผลโดยไถ่เดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นปัจจัยมีท่านสึกขาภาวนาในเบื้องต้นพยายามทําจิตของเราให้สงบพอจิตสงบเท่านั้นผลแห่งการภาวนาเป็นอย่างไรเราไม่ต้องถามจะทราบภายในจิตใจของผู้บำเพ็ญด้วยการทั้งนั้น เพราะคำว่าสันทิดิโกคือผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองรู้เองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบให้กับผู้ปฏิบัติด้วยกันเสมอกันทุกอลา่างจะพึงได้รับผลที่ตนผู้ปฏิบัติมากน้อยเพียงไรตามกำลังของตนมีขันกาวในเรื่องสมาธิคือความสงบภายในใจสงบจากอารมณ์เครื่องก่อขวนทั้งหลาย เรีกว่าสงบเมื่อเรา ม, มีอะไรก่อควรถ้าเป็นน้ําก็ใสาสะอาดจิตใจก็ผ่องใสอตาทา่จากอารมณ์เครื่องสิ่งที่คิดตรุงต่างๆเป็นเครื่องควรใจใจย่อมสงบแ น, แน่วแน่มีความสุขสุขอย่างละเอียดละออนมีความสงบมากเพียงไงความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้ยิ่มละเอียดสุขผมมากขึ้นจนกลายเป็นความความสุขที่น่าอัศจริ หรือเป็นความสุขที่อศัศจรรย์เพียงขั้นแห L ่งความสงบคือสมาธิเท่นานั้น <im itation> ก็แสดงผลให้ผู้ปฏิบัติเห็นแล้วประจักษ์ใจมีขั้นสมาธิที่นี้ขั้นขั้นปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสอาสวัทั้งหลายที่สมาธิรวมตัวกิเลสทั้งหลายเข้ามาสู่จิตเดียกวมามาัดไว้ครับจิตที่นี่จะเริ่มฆ่าแล้วออขึ้นฆ่าด้วยปัญญาปัญญาเป็นเหมือนดาบอันคมกล้าเดียว ฟาดฟันหั่นแหลกที่ลงไปจิตมันมีความขัดข้องยุ่งเหยิงหรือติดพันอยู่กับสิ่งใดรากสิ่งใดโกรธสิ่งใดเสียดสิ่งใ ด, เ, งดเอามาแยกมาขยายพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือท่าคือขันตั้งแต่วันเกิดมาอันนี้เป็นความทุกข์เลืยมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วกระทั่งถึงวันตายเราพิจารณาให้เห็นชัดคําว่าอันนี้จังคืออะไรเราเห็นแต่ในคมพีแบรนท์ท่างเขียนไว้ว่าอันนี้จังอันนี้จังทุกขังอนาถาอันนี้จังาตามความเป็นจริงที่กระทบกระทืนเราอยู่ ทุกวีทุกวันทุกวเวลาเวลาก็คืออนิจจังของร่างกายเองอะไรแปรสภาพผิดปกติมันก็กระเทือนจิตใจเราเรียกว่าไม่สบายแน่ท่านมันแสดงมากว่าไม่สบายทุกขงังหมายคำ ว, ว่าอะไรทุกมันก็ต้กระเทือนพนักสร้างการในจิตใจของเราดีพนัตตามีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้บ้างเรากําหนดดูตามอวัยวะต่างๆจะเป็นส่วนใดก็ตา่างมันเป็นตามความจริงของมันทั้งนั้นรวมตัว จากการผสมเข้ามาเขาเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลโดยที่มีใจเข้าไปครองตัวหญิงนั้นเป็นเจ้าของเพราะว่าเร า, าของเรามาหญิงว่าชายความจริงก็คือธาตุคือขันอาญตนะเป็นเครื่องมือของจิตที่ใช้ยอยู่เท่านั้นเองเมื่อหมดกำลังแล้วก็สลายตัวลงไปคำว่าสลายตัวลงไปนั้นไม่จะตายที่โลกสมมติให้คิดกันมาตายร่างกายมันตายจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่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 ต า, าพธาตุตามขันตลอดถึงความคิดความตรุงของจิตให้เห็นว่าเป็นสภาพอนิจจังทุกขังอัตตาด้วยกันกระจัดด้วยปัญญาลงไปโดยลําดับลําดับความยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดเพราะนั้นเป็นเรานั้นนี้เป็นของเราหน้าการใดก็ตามานัก็าาถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาคือปล่อยกรรมสิทธิกรรท์กรรมสิทธิ์นั้นตแล้วถ้าเรียกอุปทานเครื่องยึดมั่นถือมั่นมันกดทวงจิตใจของของเราให้ใช่น้อยให้รับความทุกข์ความลําบากเพราะอุปทานเมื่อปัญญาได้พิจารณาสอดแทรกให้เห็นตามความจริงแล้วย่อมถอน สิ่งเหล่นี้ความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาได้จนลำนับลำดับนี่ถอนเข้ามาจกนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือลาภายในจิตกาหนดเข้าไปจนกรทั่งถึงจิตเพือของกิเลือต้นหาสมาะมารวมตัวอยู่ายภายในจิตรวมยาวเท่านั้นสิ่งอื่นตัดั้งหมดแล้วไปยึดถือในส่วนใดอาการใดปัญญาสอดแทรกเข้าไปตัดขาดไปโดยลๆๆๆๆําดับลําดับนิเรลือไม่มีที่อยู่วิ่งเข้าไปหลบซ่อนอานภายในจิต ปัญญาตามเข้าไปในจิตพิจารณาค้นคว้าเห็นตามหลักให้ทรีย์ทุขนาคาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั่วไปจนกระทั่งถึงกิตเดชทนไม่ไหวแตกกระจายกไปจากจิตนี่เรียกว่าทําลายพพชาติเชื้อของภพของชาติมันอยู่ในจิตมันอยู่ในใจถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือจิตเป็นอิสระแล้วไม่ต้องกระอาศัยอะไรอีกต่อไปเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายที่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 มีความเป็นสุขอย่างยิง่งสมายธงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นความสุขอย่างยิง่งไม่มีอันใดเสมอเหมือนเลยมีมีคุณค่าเพียงไหลจิตดวงนี้แหละดวงที่ถูกสิ่งไม่มีคุณค่าสิ่งที่จำปลอมสิ่งที่สกรกรกโสมมทั้งหลายมันครอบนำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเมื่อชาระสิ่งโกรกทั้งหลายสิ่งไม่มีคุณค่าทั้งหลายนี้ออกไปได้โดยลําดับจิตก็กลายเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งทั้งมีคุณค่าอย่างเต็มภูมิถึงขั้นยิ่สุดที่มักเรียกว่า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 เราเองผู้มีความรับปิดเท่าในตัวเราจรึงเป็นความจําเป็นอยู่ตลอดไปถ้ายังจะต้องเชื่ยวอในวัดตาสงสารกราบใดบุญ ง, งามความดีซึ่งเป็นเครื่องพึ่งพิงอิงอาศัยจึงต้องเป็นความจําเป็นอยู่กราบนั้นด้านขอให้ท่านทั้งหลายจึงเป็นพุทธบริษัทได้นําปฏิญนิพพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตนอยา่าละมีความประหม่อมนอนใจเรื่มผีสังขารนั่ง ก, า ย, กยายไม่มีกฎมีเกณฑ์ดับตายเมื่อไรก็ได้แตกเมื่อไรก็ได้มันไม่มีอะไรมาเหี่ยงหน้าเหนือสิ่งเหล่านี้ได้ นั้นเราเมื่อไม่ประมาทคุณงามความดีที่ควรจะตักตวงอเอาเสียตั้งแต่บัด น, นี้จะไม่ได้เสียถ้าเสียทีไม่เดือด ร, ร้อนในภายหลังดูก็เป็นสูกตาได้ก็เป็นสุกไม่มีอะไรเดือด ร, ร้อนจึงข อ, อยุติเพียงเท่านี้